กระเออรียนพ่านท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเยื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4สีมกราคมพุทธศักราชสอง0ันห้าร้อยหกสิเป็นวันที่ด้านตั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบา มาชำระใจให้สะาดบริสุทธิ์พ่อความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีดวงตาเห็นธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญเห็นผลของบาปที่พวกเรา ยังไม่สามารถมองเห็นได้เราเลยต้องเชื่อคนที่เห็นว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดตาบอดคือตาในตาที่จะเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นจะต้องใช้ตาในถึงจะเห็นได้พวกเรามีสอง สองตามีตานอกกับมีตาในเรามีตานอกตานอกเราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เราเห็นข้าวเห็นของเห็นบุคคลเห็นต้นไม้เห็นอาคารเห็นอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เราลองเห็นกันด้วยตานอกแต่สิ่งที่เราต้องเห็นด้วยตาในคือนรกสวรรค์ชั้นต่างๆ ผู้ที่จะไปเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่กระทาบุญทำบาปนี้ต้องใช้ตาไหนถึงจะเห็นได้แต่ตอนนี้ตาไหนของพวกเราถูกความหลงความโง่ปกปิดเอาไว้เราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราจึงต้องเข้ามาหาแสงสว่างแห่งธรรม จากคนที่มีแสงสว่างแห่งธรรมผู้ที่มีแสงสว่างก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสองสาวกทั้งหลายที่พวกเรายึดเป็นสระนะเป็นที่พึ่งเป็นผู้นําผู้สัง่งผู้สอนถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนปฏิบัติตามพระอริยสองสาวก ของพระพุทธเจ้าต่อไปตาในของเราก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสา ว, วกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนปัญหาของพวกเราตอนนี้คือตาในเราถูกความโง่ความไม่รู้ปกปิดจึงมองไม่เห็นเราจึงต้องมาแก้ความโง่แก้ความไม่รู้ ด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงสั่งไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับเราเอาความไม่รู้เอาความมืดบอดเอาความหลงที่ปิดกั้นตาของเราที่ไม่ให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น เราก็จะเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็มีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามมาแล้วก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่เองตอนต้นก็ไม่มีไม่มีใครเป็นอริยสงฆ์สาวกกันตอนต้นมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงสามารถเปิดตาในของพระองค์เองได้ทำให้พระองค์เห็นผู้ที่กระทำบุญผู้ที่กระทาบา เห็นผู้ที่ไปเวียนไหว้ตายเกิดและเห็นผู้ที่จะหยุดการเวียนไหว้ตายเกิดเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญกับบาปยังมีพรานุ์ภาพมีอิทธิพลต่อใจของพวกเราทุกคน อย่าไปคิดว่าทำบาปทำบุญแล้วไม่ได้ผลของบุญของบาปเพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วพวกเราก็คิดว่าหมดเมื่อร่างกายตายแล้วใครจะไปรับผลบุญผล บ, บาปก็เพราะว่าเราเห็นแต่ร่างกายเราไม่เห็นใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพวกเรานี่แหละที่จะไปรับผลบุญผล บ, บาปต่อไปไปนรกไปสวรรค์ ไปเกิดแก่เจ็บตายหรือไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือใจของพวกเราจะไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเราว่าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทําตามเราก็จะไป ตามที่พุทธเจ้าได้ทรงไปกันนี่คือสิ่งที่พวกเรายังมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเองเราเลยต้องใช้ศรัทธาความเชื่อเชื่อคนตาดีเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนตาดีตาดีข้างนอกไม่มีประโยชน์อะไรตาดีต้องตาดีข้างในต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องมีปัญญาต้องมีสัมมาทิฐิ ที่เกิดจากการปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ยังเป็นปัญญาที่ยังไม่สว่างพอเป็นเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนก็บอกเราสิบครั้งก็สู้เราเห็นครั้งเดียวไม่ได้เช่นสถานที่เช่นวัดยา น, นี้ถ้าเราไม่เคยมาก่อนเราได้ยินได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าวัดยานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็ยังไม่เห็นจริงๆว่าวัดยานเป็นอย่างไรเราต้องมาที่วดัดแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าท้ามหมายขวานว่าอย่างไรว่าวัดยานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ได้มาเราก็จะคิดไปในใจว่ามีนู่นมีนี่ซึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ดังนั้นความรู้ถ้าเราได จากการเรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้ยังเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นความรู้ที่จะชวนให้เราไปดูของจริงกันอยากจะดูของจริงเราต้องปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราอยากจะดูวัดยานเราก็ต้องมาที่วัดยานพอเรามาถึงวัดยานเราก็จะร้องอ๋อวัดยานเป็นอย่างนี้เองสวยอย่างนี้ จะอาจแบบนี้อะไรต่างๆที่เขาพูดกันเราก็ไม่ต้องมาคิดมานึกให้เสียเวลาเปล่าๆ เ, าเพราะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนั่นึ่งคิดไปก็อาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเราติดต่อกับใครผ่านทางโทรศัพท์ได้ยินแต่เสียงเราก็จะวาดภาพว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไปเจอของจริงเขา้าอ่านไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าเท่หน่อยคิดว่าจะหลอกับไม่หลอคิดว่าจะสวยกับไม่สวยเพราะเสียงอาจจะสวยเสียงอาจจะหลอ่อแต่รูปร่างอาจจะไม่หล่อตามเสียงไม่สวยตามเสียงก็ได้ฉันใดทำต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ถึงแม้จะว่าจะเป็นความจริงแต่พวกเราก็ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ ถ้าเราไม่ได้ไปเห็นด้วยกับตาของเราเราจะเห็นด้วยตาของเราได้เราต้องเปิดตาคือตาในของเราก็คือใจของเรานี่แหละผู้รู้ผู้คิดตอนนี้ถูกความโง่ถูกความง่เขาเบาปัญญาถูกความหลงหลาให้เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกกันคิดไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง คิดว่าตายไปแล้วศูนย์ไม่มีคนไปรับผลบุญผลบาปเพราะคนที่ทำคือร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปเวลาตายไปเขาก็ไม่จับไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วตายไปเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกกันสวรรค์อยู่ที่ไหน สวรร์อยู่ท้องฟ้าเขาก็สงจะรวดขึ้นไปหาแล้วก็ไม่เห็นมีสวรรค์บนท้องฟ้านรกอยู่ในดินเขาก็เจาะลงไปในดินก็เจอแต่น้ำมันไม่เห็นมีนรกไม่เห็นมีอะไรมีแต่เพชรมีแต่ทองมีแต่แร่ธาตาุต่างๆนั้นนรกสวรรค์ในสายตาของคนที่มีแต่ตานอ ก, ก็จะเห็นว่าไม่มีก็จะไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรก ไม่เชื่อเรื่องการเวียนไหวตายเกิดไม่เชื่อเรื่องของการที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วพวกนี้ก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดไปเรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็มักจะไปเกิดในนรกไปในเกิดในอบายกันเพราะทำบาปมันง่ายมันสนุกกว่าการทำบุญทำบุญมันยากและไม่สนุกเพราะทำบุญนี้มีแต่เสีย เสียเงินเสียทองเสียข้าวของเสียเวลาแต่ถ้าทำบาปนี้ได้ข้าวได้ของไปขโมยข้าวของก็ได้ของมาไปซื้อเหล้ามาดื่นก็มีความสนุกไปเที่ยวตามแหลงบันเทิงต่างๆไปประพฤติผิดประเวณีกันไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่รู้เจอที่ไหนก็ไปร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็ไม่ต่างจากพวกสุนักทั้งหลาย สุนัขนี่เขาเจอตัวไหนเขามีอารมณ์เขาก็ร่วมหลับนอนกันแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นมนุษย์นี่เขารู้จักว่าสามีภรรยาของเขาเป็นใครคนที่ไม่ใช่สามีไม่ภรรยาของเขาเขาไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้จักบุญจากบาป เขาไม่รู้จักการเป็นมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรเขาถึงเป็นเดรัจฉานกันพวกที่รู้ว่าการเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเขาก็รักษาศีลกันการจะเป็นมนุษย์ได้นี้จะต้องไม่ทำบาปไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสรายาเหาถ้าใครไม่สามารถรักษาศีลเหล่านี้ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์แล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเป็นเหมือนเดรัจฉานแล้วเป็นเดรัจฉานไปแล้วนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกที่สอนให้พวกเราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดถ้าเราชาระใจสะอาดเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ เหมือนกับแว่นตาของเราถ้ามันเปืเป้อนด้วยดินด้วยโคลนเราจะมองอะไรเห็นใช่ไหมเราเวลาแว่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนนี่เราก็ต้องเอาไปล้างพอล้างแล้วเอามาใส่ก็จะเห็นชัดเจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นายตาความเป็นจริงใจของเราก็ถูกความหลงถูกความไม่รู้ถูกความโง่เขลาเบาปัญญา ครอบงำใจทำให้ใจเรามืดบอดทำให้ใจเรามองไม่เห็นอะไรพอเรามาเอาใจนี้มาชำระให้มันสะอาดพอสะอาดแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพอเห็นแล้วก็จะไม่กล้าทำบาปโดยเด็ดขาดเนี่ยพระอริยสงสาวกทุกพระองค์นี้ท่านไม่ทาบาปโดยเด็ดขาดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป นีท่านจะไม่ทำบาปถ้าท่านจะต้องตายท่านก็ยอมตายดีกว่าทำบาปเพราะท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของท่านร่างกายตายมันจะตายไม่ตายเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีร่างกายนี้จะทำอย่างไรก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้แต่การที่จะไปห้ามมันไม่ให้ตายด้วยการไปทำบาปนี้เป็นความโง่เป็นควา ม, า ค, วามความไม่รู้ ความไม่ฉลาดเพราะทำบาปแล้วต้องไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเป็นเดลัาฉานบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างคนที่เห็นว่าทำบาปแล้วมีโทษนี่เขาก็ไม่ทำกันเขาอยู่เฉยๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายเป็นไปตามสภาพของมันร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะคุ้มครองรักษา ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทั้งมันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปแต่ถ้าเราทําบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปพระอริยสมัมพระอรุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ไปเกิดในอบายกันเช่นพระโสดาบันนี้ถึงแม้ว่าท่านยังจะมีการมาเกิดไม่เกินอีกไม่เกินเจ็ดชาติ แต่ทุกชาตินี้จะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเห็นทางที่ไปอบายแล้วท่านไม่เดินไปในทางนั้นทางที่ไปสู่อบายก็คือการทำบาบนี่เองการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสุรายาเมาอันนี้พวกเรายังมองไม่เห็นกันพวกเราจึงยังกล้าทำบาป ก, กัน เพราะยังมีความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เลยต้องโกหกกันบ้างถ้าไม่โกหกแล้วเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้หรือกลัวจะสเสียสิ่งที่เรามีอยู่ไปเช่นถ้าไม่โกหกเดี๋ยวแฟนทิ้งเราถ้าไม่โกหกเดี๋ยวเพื่อนไม่คบกับเราเราก็เลยต้องโกหกเพื่อจะได้เพื่อนแต่แล้วเสียความเป็นมนุษย์ไป แล้วเราก็ได้ความเป็นเดระฉานกลับมามันคุ้มค่าหรือไม่แต่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าการทำบาสนี้ทำให้เราขาดทุนไม่ได้ทำให้เรากำไรสิ่งที่เราได้มานี้คุณค่ามันสู้สิ่งที่เราเสียไปไม่ได้ <c oughs> เหนือนเสียพันบาทเราได้มาร้อยหนึ่งเราอยากจะเสียกันไหมถ้าเขาเอาเงินมาแลกเอาแบงค์ร้อยมาแลกขอแลกกับแบงค์พันนี่เราจะแลกกับเขาไหม เราไม่แล้วเพราะเราตาดีเราเห็นว่าแบงค์พันมันดีกว่าแบงค์ร้อยแต่ถ้าเราตาบอดเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าแบงค์ร้อยนี่ดีกว่าแบงค์พันเราก็เชื่อเขาเราก็แลกกับเขาน mm. พวกเราที่ยังมีตามืดบอดตาในที่มืดบอดอยู่เวลากิเลสมันมาหลอกเราบอกเอ้ยทำบาปเถอะไม่เป็นไรทำแล้วมีความสุขไม่ทำแล้วไม่ได้มีความสุข ทำแล้วตายไปก็ไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาปนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีทำบุญไปทำไมทำบาปดีกว่าอยากจะได้อะไรก็ง่ายกว่าทาบุญนี่กิเลสตัณหาความอยากโมหะอวิชามันจะมาหลอกให้เราคิดว่าทำบาปแล้วไม่มีโทษตามมาไม่มีผลตามมามีแต่ได้ไ้นะไปขโมยก็ได้ข้าวได้ของ ไปประพฤติผิดประเวณีก็ได้นอนกับสามีภรรยาของคนอื่นมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกทำไมไม่ทำบาปกันเนี่ยสังคมทุกวันนี้เขาเนิยมทาบาปกันไม่เชื่อไปเดินแถวพัทยาใต้ดูเนี่ยมีแต่ทำบาก็ะทั้งนั้นะแถวนั้นมีทุกรูปแบบนั่นแหละคือคนที่เขาไม่เชื่อไปคุยกับเขาว่าชนารกมีสวรรค์มีบาบุญมี ก็หาว่าเราบ้าก็หาว่าเรางมงายเพราะเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่สิ่งที่เขาเห็นด้วยตานอกของเขาเขาเห็นคนหล่อหล่อสวยๆเขาก็เกิดอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาแล้วพอได้หลับนอนกับเขาเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าใจของเขานี้ได้กลายพันธ์จากการเป็นมนุษย์กลายไปเป็นเหมือนสุนัขแล้วทาแบบสุนะัข สุนัขเขาไม่มีคู่ครองกันเขาไม่สู่ขอกันเขาไม่จัดงานแต่งงานกันเขาถึงเวลาก็อยากจะร่วมหลับนอนกับใครเขาก็ร่วมหลับนอนนี่คือสิ่งที่คนไม่มีตาในเขาทํากันเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อพระอริยสงสาวกเพราะเขาไม่ไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเห็น แล้วเขาก็เลยไม่เชื่อกันพวกเรานี้ถึงแม้ไม่เห็นแต่เรายังเชื่อเพราะเราเชื่อว่าเหมือนกับเราไปหาหมอ응เวลาเราไปหาหมอเราเชื่อหมอหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อหมอเราก็ไม่ไปหาหมอแต่เราเชื่อหมอถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าหมอจะรักษาให้เราได้หรือไม่เราก็ไปแล้วเราก็เอายาที่หมอมาให้เราเราก็เชื่อหมอ หมอให้เรากินยาเราก็กินพอเรากินยาแล้วเราก็จะรู้เองว่าหายหรือไม่หายถ้าไม่หายเราก็ไม่ต้องไปเชื่อหมออีกต่อไปแต่ถ้าหายเราก็จะเชื่อหมอฉันใดพวกที่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาก็ได้รับประโยชน์เขาไม่ต้องไปเกิดนาบายเขาไปสวรรค์เขาไปนิพพานเขาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิด แล้วเราอาศัยคนพวกนี้นะ่ยที่เชื่อพระพุทธเจ้าและได้พิสูจน์ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงแล้วมาสอนมาบอกพวกเราอีกทอดหนึ่งพระอริยสงสาวกนี้เป็นเหมือนกับเซลแมนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เอาสินค้าของพระพุทธเจ้ามาขายให้กับพวกเราด้วยการรับรองด้วยตัวเขาเองว่า เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเมื่อก่อนก็มีในตาในที่มืดบอดมองไม่เห็นนากไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดแต่พอหลําจากนําเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปชาระความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป mm. ก็เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นก็เลยหยุดทำบาปทาแต่บุญ ก็เลยได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานกันงนั้นพวกเราเชื่อได้ร้อยเปรเซน์เพราะว่ามีคนรับรองแล้วถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี้อาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่มีพระอริยสงสาวองเป็นหมื่นเป็นแสน ร, รูปที่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้องนำเอาอไปปฏิบัติจนสามารถเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้ จะสามารถนำพาชีวิตของเขาคือจิตใจของเขาให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญได้<ม>ก็คือไปสวรรค์ชั้นต่างๆและไปพระนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดตามลำดับต่อไป<ม>นี่เกิดจากการเชื่อการมีศรัทธา<ม>เราต้องเชื่อคนตาดีถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราจะไปเชื่อใครเราเชื่อตัวเราเอง เราก็เดินชนเสาเดินตกหลุมตกบ่ออยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็ลุ่มๆุมดอนๆเกิดแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทําบุญทําบาปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทําบุญไม่ทําบาป ชำระใจของเราให้สะอาดให้สวา่างให้สายสะอาดเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพานกันดังนั้นขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามปฏิบัติตามแล้ววันหนึ่งไม่นานพวกเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างมีตาที่สามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นนิพพานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทางที่สู่ที่พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดและเห็นทางที่สู่พาไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนแล้วชีวิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้รับกัน ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้เต็มร้อยอย่างแน่นอนจึงคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลธนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแขาวค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ